วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่13เมษา2550นแต่เมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชนมาทำบุญมากพอสมควรแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็บางตาอยู่ไม่มากาก็คงจะได้มาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาแล้ววันที่11ที่ผ่านมาแล้วก็เลยวันที่13บมรู้สึกว่า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 เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจะหลบปลีหนีไม่พ้นในเมื่อหลบปลีหนีไม่พ้นพวกเราจะใช้ปัญญาพิจรารณาหรือว่าใช้แนวเอาตัวกรอดหรือว่าเอาตัวเข้าไปไปเชิญ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 ตอบกับผมว่าซิสิติคนป่วยที่ว่าเป็นโรคตับที่รู้ว่าเป็นโรคตับแล้วจะประมาณนั้นทอนี้อย่างลุงแม่ของผมก็เหมือนกันอายุ9ก้าบหปีไปผ่าตัดถุงน้ําดีออกพอต่อมาแล้วก็คงจะอักเสบมันก็เข้าไปในเครือข่ายนั้นผมก็ถามหมอทางกรุงเทพหมอท่านก็บอกวา่านีน่ประมาณนี่แหละท่นานอาจารย์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 อย่างเขามาเกี่ยวข้องเราออกซิเจนสายยงุงสายยางพลุงพลังอะไรก็ตามย่าเอาเขามายุง่งเราได้พิจารณ า, าดูแล้วพอแล้วหยุดแล้วถึงจะทุกขเวทนาเกิดมาอย่างไรเมื่อวันนี้เป็นเรื่องของขันในช่วงนั้นใจของเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เหมือนกับรถที่มันลวนรถมันเบรกแตกอย่างนั้นขันส่งรุดอย่างเนี้ย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 ไม่ให้มันชักกระตุกอย่างนี้นมันก็บังคับไม่ได้เพราะว่าธาตุขัน<อ>กับใจนามธรรม ร, รูปธรรมเลยนามธรรมไม่สามารถที่จะบังคับรูปธรรมได้ใค้ท้าวาคนขบถไม่สามารถที่จะบังคับรถให้ไปสู่เป้าหมายได้มันก็ต้องธรรมดาเวทนามันเกิดขึ้นมาในกายนั้น แต่ถึงยังไงก็ถึงจุดจบจะเข้ามายุคไม่ต้องทำอะไรให้มันแสดงไปตามธาตุขันแสดงไปตามรูปธรรมคือธาตุขันอันนี้ผมว่าหลวงตาพูดถูกต้องควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราบวชเป็นพระเราก็ต้องจะต้องอาจฐานแก้วกล้าในการพร้อมที่จะไปเชิญหน้า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 ปูดขึ้นเต็มตัวแล้วให้ใครว่ามันเข้าไปตีต่อมน้ำเหลืองหมดแล้วยังถามเขาอาตมาจะหายไหมจะรักษาหายไหมฟังดูแล้วจนหมอลำคานสิ่งเหล่านี้กรรมฐานพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายควรเตรียมพร้อมไว้แต่ว่าก็น่าคิดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน ว่ากรรมฐานที่ไม่ภาวนาให้จริงจังถ้ามาถึงจุดนั้นมันใจอ่อนนะอันนี้ก็คิดไว้เผื่อไว้มากๆเหมืนกันคือมันวิตกกังวลมันใจอ่อนเขาว่าอะไรว่าจะหายก็อยากหายกับเขาทํำหมดทุกอย่างกลัวตายท้าว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่กรรมฐานที่แท้จริงถึงวันนั้นอาจจะมาถึงหลวงตาอินก็ไม่รู้แล้ ว, ว่างั้นก็เถอะ เพราะนั้นก็ ต, ต้คิดไว้ก่อนเหมือนกันในสิ่งเหล่านี้ป่อยนั้นให้เข้มแข็งเอาไว้ตายหนึ่งนั่นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่ที่คาถามที่หนึ่งก็ผ่านไปแล้วท่านก็ยอมรับว่าอื่นใช่ควรจะปฏิบัติอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอต่อมาท่านก็ถามคําถามที่สองขึ้นมาอีกท่านว่าขณะที่ปว่วยหนักดรวยปัจจัยจะขาดนั่นะ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 เป็นห่วงภาากีบอนตายแล้วไปเป็นเล็ดอย่างนี้มันเป็นไปได้เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้ได้ทาใจเอาไว้ได้พิจารณาเอาไว้ถึงยังไง ร, ร่างกายเนี่ยจะต้องแตกตายที่สุดถึงจะทุกขนาดไหนเวทนากล้าขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าใจของเราเนี่ยจะต้องให้พิจารณาแยกกาย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 ในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นช่วงที่ปั่นป่วนที่สุดกายกับใจที่จะแตกออกจากออกจากกัารที่จะแยกจากกันไนี่เราจะทจําใจยังไงในจุดนั้นอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ได้ฝึกเอาไว้นะปั่นป่วนแน่นอนแต่ถ้าเราได้ฝึกเอาไว้ยผมว่าสติของเราจะต้อง ขเขมຈเกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆสติปัญญาของเราคงจะขเขมงเกี่ยวเข้าไปเรื่อยให้สติอยู่กับจิตให้จิตอยู่กับจิตให้ใจอยู่กับใจให้รู้ใจของตเองอยู่เสมอให้มีสติอยู่กับใจของตัวเองเดี๋ยวนี้ใจของเราอยู่ด้วยอาการอย่างไรมีตกกังวลเรื่องอะไรพยายามใจให้ว่างปล่อยวางที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเราสมัยเมื่อเรามีความสุขอยู่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 เผลอเลอเนี่ยถ้าเร า, าพิจารณาถูกล็อกเรียกวเกิดความเบื่อหน่ายในขณะนั้นนะอาจจะได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ขึ้นมาได้ในทุกขเวทนาบีบคัน้นเรียว่าสัมมัตสีสีได้สําเร็จเป็นพระอราหันต์ในจวนเจียนที่ใจจะขาดนะเรี่ว่าทิ้งตัดกิเลสในช่วงที่ใจจะขาดได้เป็นพระอราหันต์ในช่วงนั้นก็มากต่อมาก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 โสดาสกทาคาอนาคาอรหันได้แต่ถ้าว่าเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเราร ล, ลึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงทานรละลึกถึงศีลและลึกถึงการปฏิบัติบิบดามารดารละลึกถึงการสร้างคุณงามความดีอันนี้เมื่อใจขาดแล้วก็ไปสู่สวรรค์อันนี้ก็คือออกไปไปสู่สวรรค์ได้ง่าย ออกไม่ใช่สวรรค์เขาไปเกิดเป็นมนุษย์พบภูมิที่ดีพบบุญกุศลผักส่งพาไปแต่ถ้าหัวใจของเราคิดไปในทางอากุศลคิดไปในทางชั่วจิตใจปิถกกังวลว้าเหวอ้างว่างสับสนวุ่นวายพอตายไปแล้วก็มืดมนอนตาการไม่รู้จะปิดไปทิศทางไหนเหมือนกับเราอยู่มรดสมปั่นปวดอย่างนั้นพอตายพอแล้วอาจจะตกต่ําก็ได้เพราะฉนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่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 ในขณะที่ตอนที่ธาตุขันจะแตกจะดับใจของเราจะวางใจยังไงในในช่วงนั้นเป็นชินที่พวกเราควรจะศึกษานะศึกษาและกปฏิบัติให้เข้มแข็งให้รู้เท่ารู้ทันเตรียมเอาไว้ในจุดนั้นอันนี้ก็คือคำถามที่สองคำถามที่สามตั้นถามมาอีกว่า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 ถ้าว่าไม่รักษาตัวนะไม่เข้มงวดขวดขันกับตัวเองปล่อยปะละเลยเนี่ยพอเราไปอยู่ตามลําพังไม่มีครูบาอาจารย์ดุด่ า, าว่ากล่าวไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําทําสอนก็ไปอยู่ตามลําพังผลที่สุดก็ปล่อยปะละเลยบางทีก็ปล่อยกิจวัฒน์บังคบคู่บับคนบังคบหญิงบคบชายบางังที่มาเกี่ยวข้องผนที่สุดธรรมที่เคยได้มาเนี่ย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 ที่สุดในผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉนั้นท่านจึงถามว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นจะทำยังไงอันนี้หลวงพ่อก็บอกว่ า, วาอันดับแรกรก่อถ้าเป็นไปได้ต้องกลับเข้ามาหาครูบาอาจารย์แต่ว่ากลับเข้ามาในคราวนี้มันมีเหมือนแต่ก่อนนะมันมันเหมือนอะไรมันแข็งแข็งขวางขวา ง, างอะ่นะแต่ถ้าว่าเราจะหยบหรืออ่อนเห็นโทษเราเข้ามาอันนั้นดี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 เครองผ้าเสเปียงบาและกระลาบพระประธานเน่กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงมัมีพระประธานกระหันหน้าไประลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นระลึกได้หรือไม่ระลึกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตเป็นอาชินตยข้าพเจ้าจะไม่เป็นอย่างอื่น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 นั่นแหละหนึ่งเดียวง่ากนเถอะใจเป็นหนึ่งเดียวคือใจไม่มีสองถ้าวัดใจมันยังมุ่งหวังไปทางโลกอยู่อในแง่หนึ่งมุ่งหวังไปทางธรรมในแง่หนึ่งมันเป็นสองแง่สองงามไปนิพพานไม่ได้แล้วะเออไปนิพพานไม่ได้มันต้องตัดขาดทางด้านหนึ่งให้เป็นหนึ่งเดียวจึงจะเดินตรงต่อทางมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ใดก็ตามตามว่าจิตใจยังลวนเลอยู่นะลวนเลอยู่ไปไม่ได้ต้องติดอย่างที่หลวงปู่ล่าท่านพูดนะเนี่ยผมมาพูดถึงพลรึกถึงหลวงปู่ล่าพูดหลวงปู่ล่าท่านบอกว่าประตูนิพพานเล็กกว่าเข็มเล็กกว่าปลายเข็มถ้าขนา์นั้นถ้ามีกิ่งไม้สองแง่สองง่ามมันจะไปเข้าได้อย่างไงใช่ไหม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 ในเาราคงหงพ่อว่าคำถามของท่านที่ถามเมื่อคืนที่แล้วสามข้อเป็นคำถามที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพระธรรมฐานคำถามแรกคือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะรักษาอย่างไรในเมื่อถึงถึงค่าวที่จะถึงข่าวสิ้นสุดของชีวิตว่ารักษาไม่หายแลวจะทำตัวอย่างไร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 มันมองธรรมเป็นเรื่องที่เงียบเหงาเศร้าซึมมองโลกเป็นสวรรค์ไปมันเป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันเป็นมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะ น, นั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วธรรมะเป็นของเลิศประเสริฐแต่จิตใจของเราไปลุ่มหลงกับกิเลสเหล่านั้นพิจารณาดูให้ดี้พิจารณาธรรมของพทุทธเจ้า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 ธรรมะที่เงียบเหงาแล้วก็มองดูทางโลกเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮารื่นเริงใจมีความสุขเพราะกิเลสมันพาเดินแหมแล้วจะเอาอยัางไงทีนี้นี่มันสับสนแล้วนะทีนี้นั่นะทางว่าเราจะเดินทางทำอย่างเดีดเดยวแล้วก็ตัดเลยทางโลกอย่างที่ผมได้ให้ความคิดสำหรับท่านพระฝรัง ผมว่าคิดว่าผมว่าผมให้แนวความคิดมันออกมาจากใจผมเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้ น, นเคยพบเคยเจอมาเหมือนกันในสิ่งเหล่านั้นเหมือนเพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะที่บวชมาในครั้งนี้ถึงยังไงพวกเราก็ให้ฟังเอาไว้อันดับแรกก็คือเรื่องเก็บไข้ในป่วยนั้นคือกรสุดแท้แต่อัน น, นกรสุนแท้แต่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 ถ้าเราวางตัวผิดที่ผิดทางก็ทำให้เสียหลักไปได้ไง่ายๆแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้อาฐานพิจารณ า, นานดูด้วยหลักธรรมในด้วยหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักเจ็ดแล้ว น, ะ, นะเราอาจจะถีบตัวถีบใจของเรากระเด็นออกจากโลกวัฏสงสารเข้าสู่แดนพนิพานแหมโลกไม่สามารถจะดึงดูดได้เข้าสู่แดน อวกาศของจิตของธรรมไปการเข้าสู่ธรรมะธาตุไปเนี่ยไปได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าเราได้พิจารณามาแล้วแต่มันก็ยังติดติดขัดขัดติดติดขัด ข, ด ข, ด ข, ดขดยังไม่มั่นใจแต่พอมาเจอของจริงเข้าเท่านั้นมันรู้จริงเห็นจริงเออใช่เราพิจารณามาต้องนมนานมันจริงๆว่ามันไม่ไม่ใช่สวรรค์มิพิมาเนี่ยว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นเนี่ย แต่ถ้าว่าเราเข้มแข็งนะเราอาจจะกระโดดออกไปได้กระเด็นออกไปได้ถีบตัวออกไปได้แต่ถ้าว่าเราไม่เข้มแข็งนะพอมันทุกขเข้ามาองมีแต่จิตใจทุกข์ละทมเอน้ําตานองหน้าร้องโหมร้องไห้มีแต่อยากจะหายจากโรคภยัคยไข้เจบ็บเพราตายด้วยความทุกข์ทรมานเท่านีา้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้ามาแล้วแบบตายด้วยความตายด้วยการเสียหลักก้อนนั้นเถอะ เ, เสียหลัก ตายดย้วยการเสียหลักเหมือนกับไม่มีประตูที่จะสู้แบบรุดลุยเลยว่างั้นยอมแพ้แบบเต็มประตูเลยเพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะคําถามที่สองเนี่ยผมว่าเป็นคําถามที่น่าคิดทีเดียวนะสาหรับพวกเราทุกๆท่า น, นะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเรื่องสมาธิก่อนที่จะถึงอย่างนั้นได้เราต้องฝึกสมาธิในจิตใจของเรา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 บางคนก็อยากจะให้มันเป็นอีกอย่างนั้นอีกอมันก็ไม่เป็นนะถ้าอยากให้เป็ น, นมันจะไม่เป็นเราต้องพยายามทำอีกอย่างเขากาหนดลมหายใจเขาออกไม่ได้สนใจมันจะเป็นมันจะมาไม่ต้องสนใจทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดวิตกกังวล ว, ว่าอยากจะให้มันเป็นอีกมีแต่ว่าเรากาหนดลมหายใจอย่างเก่านี่แหละถ้าเราทำอย่างนั้นได้ ต่อไปมันก็คงจะสงบขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้ความสงบนั้นเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวห้องเราเองนะทอนี้จากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบในอันดับรองลงมาหรืออันดับสองเข้าไปก็คืออุปจาระสมาธิอุปจาระสมาธิเนี่ยจิตเข้าสู่ความสงบคือมันไม่หิวไม่โหยจิตอยู่กับตัวจิตนิ่งแต่ผมว่าจิตอยู่ว่างั้นแหละจิตไม่วอกแวก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 มีความรู้สึกอย่างนั้นเสียงต่างๆไม่ได้ยินเรานั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่มันจะอยู่เข้านานมากน้อยอย่างไงแค่ไหนอันนั้นเราก็ไม่รู้พอถึงกาหนดพอถึงกำลังเข้ามันที่มันเข้าไปแล้วมันก็จะถอนออกมาแต่มันก็ถอนออกมาแต่โดยมากจะไม่นาน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 พอถอนออกมาอย่างนั้นแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครว่านี่จิตสงบไหมไม่ต้องถามพราะรู้ด้วยตนเองถ้าว่าถามคนอื่นก็ถามอย่างเชิงไปอย่างนั้นถามอย่างเชิงว่านี่ยจิตสงบใช่ไหมอย่ลักษณะอย่างนี้แต่ตัวเองมั่นใจร้อยทั้งร้อยเลยอันนั้นคือจิตสงบฮ อ, อันนี้แปลว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี้มิใช่ว่า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 จิตจะเข้าสู่ความสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิได้ไหมอันนี้ได้ได้เพราะผมเคยเจอมาแล้วที่จิตที่เป็นจิตสงบอย่างเนี้ยผมมารับประกันในเลย ว, ว่าได้จิตเข้าสู่ความสงบเวลาจิตจะสงบถึงอย่างนั้นมันจะขาเนี่ยมันจะเช็ดปับ๊บยืนนิ่งเลยมันจะไม่ก้าว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 พพิจารณาถึงเรื่องอะไรก็จับได้ดีเห็นได้ดีรู้แจ้งเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งเห็นอันนี้จังเห็นจริงๆริงว่ามันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์จริงจริงร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะพิจารณากระดูกนะเห็นกระดูกเห็นชัดเจนจากย้อนมาถึงใจใจไปยึดมั่นถือมั่นในกระดูกในร่างกายสังขารว่าเป็นตัวตนของเราใช่ไหมเห็นใจของตัวเองเห็นจริงๆเห็นความรู้สึกของตัวเองเห็นชัดเจน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 ความลึกของหัวใจจริงๆถอนออกมาจากความรู้สึกของหัวใจจริงๆนะมันเห็นแบบผิวเผิ น, เ, นเหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงไปเผาแล้วเผาอีกเผาคนไปเผาแล้วเผาอีกแต่พอตัวเองจะตายเท่านั้นนะ่านเนี่ยข้าจะตายอะไรท่านเนี่ยโอ้โหมันพิษคนละเรื่องละราวกันเลยก็ไปเผาคนอื่นนะอันนั้นก็เหมือนกันนะคือสัญญากับความจริงนสัญญากับสังขารมันเป็นเหมือนกับเราไป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 ที่ได้ศึกษาในภาคปฏิบัตินะสมาธิเป็นยังไงที่ผมได้พูดให้ฟังมีขั้นตอนทึ่สามสามขั้นนะขณิกสมาธิเป็นยังไงคณิกอุปจาระสมาธิเป็นยังไงแล้วอัปปนาสมาธิเป็นยังไงนี่สูงสุดของสมาธิก็มีอยู่สามสามขั้นตอนอย่างที่ผมได้กล่าวนะจากนั้นก็สมาธิไหนที่จะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญา ผมก็ได้บอกว่าอุปจาระนะคณิกะเนี่ยคณิกะเนี่ยน้อยเกินไปแต่ถ้าว่าจิตไม่เป็นสมาธิจะพิจารณาได้ไม่ได้เราไปเห็นเดินนั่งรถไปเห็นหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายมนุษย์มนาล้มหายตายจากในถนนเราเห็นหมาตายในถนนเราก็นอนมาตัวเราอเนี่มันก็เป็นธาตุเป็นขันเหมือนกันมันก็ตาย อีกสักวันหนึ่งเราก็ตายนะถ้าคนไม่เก็บือถ้ามันเกิดจึกสงครามคนตายรถเกาะรถถังรถอะไรวิ่งเหยียบไปมันก็คงจะเหมือนกับหมาตายอย่างนี้แหละเราก็คิดขึ้นมากับเปรียบเทียบร่างกายเราร่างกายสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นอความคิดอีกเหมือนกันพิจารณาได้เหมือนกันแต่ว่าจะให้นึกซึ้งจริงๆอันนั้นก็คือเป็นแนวทางเอาไว้คิดเอาไว้ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ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 สำหรับเป็นพระจะรักษาอย่างไรคาถามที่สองก็ว่าเมื่อใจจะขาดเมื่อใจจะออกจากร่างควรจะทำใจยังไงพิจารณาอย่างไรควรจะวางใจอย่างไรในช่วงนั้นอันดับที่สามการปฏิบัติตนเมื่อกิตใจมันเสื่อมกิจใจมันเสื่อมกิตใจมันร้อน จะทำตัวอย่างไรผมก็ได้ตอบคำถามดังนั้นผมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องสมาธิกาหนดลมยังไงเป็นเบื้องต้นที่จะทำจิตให้สงบถึงคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาจากนั้นพิจารณาอะไรทิ้งจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายลดหลุดพ้นแต่ถึงยังไงก็ตาม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 นั่นแหละต้นเหตุของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงถึงจะพูดทั้งแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์พูดมากขนาดไหนก็เถอะถ้าไม่เข้ามาถึงใจไม่เข้ามาถึงตัวผู้รู้แล้วอันนั้นก็ยังออปัดปั ด, ป ด, ปดไปๆพูดถึงกิ่งไมย้ยอดนั้นยอดนี้ยอดนี้ยอดนั่นอยู่ในต้นไม้แต่ต้น อ, อไม้เนี่ยมันอยู่ได้เพราะรากแก้วของมันไงพอถอนรากแก้วขึ้นมาเท่านั้นแ่ะโคตรหมดอันนี้ก็เหมือนกัน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 ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็ตกหลุดออกจากใจของเราใจของเรากืบริสุทธิ์หลุดพ้นขึ้นมาเพราะนั้นใจของเราเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะนั้นที่พวกเราปฏิบัติธรรมะแล้วมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่พระแม่กูบาอาจารย์หรือว่าความประสงค์ของพระแม่กูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติมากันเนี้ ให้ดูที่ใจให้ปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจถ้าใจรู้แจ้งเห็นจริงแล้วกันนั่นแหะรู้แจ้งเห็นจริงจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมแตมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวักิเลสทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ผมได้พูดธรรมะแนวภาคปฏิบัติให้แก่หมู่พวกเพื่อนได้ฟังขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปอนั่งสมาธินะัดที่นี้นะ